น้อมน้อมต่อคุณพระรัตนไตรข้อกาศเพื่อนสถาบันทุกท่านจเจริญธรรมสามเณรไม่ทีและญาติธรรมทุกท่านเนาะก็ช่วงนี้ก็ออกพรรษาแล้วเนาะอ่าแต่ว่าเราการบธรรมก็ยังมีต่อไปนะจริงๆแล้วออกพรรษานี่มันน่าบางทีอาจจะดีแบบเข้าบรรษาเนยนะเพราะคนก็อาจจะน้อยลงแล้วก็สงบเงียบมากขึ้นนะ บรรยากาศก็ดีกว่านะมันจะไม่ค่อยมีฝนแล้วก็ก็เรียกว่าปลายฝนต้นหนาวนะอากาศเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมมากเลยก็กำลังเย็นสบายๆไม่ร้อนไม่ฝนแล้วก็ไม่หนาวมากเนาะเนี่ยเป็นบรรยากาศในการบัติธรรมที่ดีเนาะคราวนี้เราเราก็มาฝึกเจริญสติกันนะคําว่าเจริญสติหมายความว่าตามรู้กายรู้ใจนะก็คือการระลึกรู้ส ต, ติแปลว่าระลึกได้แล้วระลึกรู้ก็คือระลึก รู้ที่กายที่ใจเราเนาะเพราะว่าเราเราก็มีอยู่แค่กายแค่ใจเท่าั้เองนะเราไม่มีอย่างอื่นหรอกมีแค่กายหรือใจอกายและใจเขาเรียกว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารบัญญาณนี่แหละกายและใจเนา ะ, ะมันมันละทุกที่ไหนก็ต้องละที่กายและใจเรานี่แหละพรอบางคนจบสูงๆใช่ไหมจบด็อกเตอร์ก็ยังมีความทุกข์อยู่นะมีความทุกข์ไม่จะจบในทางโลกสูงขนาดไหนก็มีความทุกข์ หรือคนรวยขนาดไหนเนาะรวยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็มีความทุกข์ใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่าคนที่รู้กายรู้ใจนะ่ะมีสติแล้วนะหรือปวัติธรรมได้เข้าถึงธรรมแล้วก็ไม่ทุกข์แล้วนะจริงๆคนที่มีสติเนี่ยถึงว่ายังไม่ถึงธรรมขั้นสูงสุดแต่ก็ความทุกข์ลดลงไปแล้วลดน้อยไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยนี่จึงเห็นว่ามีประโยชน์มากเลยมากกว่าคนรวยหรือคนที่จบด็อกเตอร์สูงๆนะ อันเนี้ยมันมันได้ไประโยชน์กับตัวเราเองนะเราตามรู้กายรู้ใจเรานี่แหละใหม่ๆแล้วก็ตามรู้กายก่อนใช่ไหมตามรู้กายจริงๆแล้วการตามรู้กายนะมันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเองพระพุทธเจ้าบอกว่าเหลว้ายแหลขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนดื่มกินพูดคิดเนี่ยก็คือในอิบทต่างๆนะยืนเดินนั่งนอนแล้วก็อิบทย่อยทั้งหลายเลหล่านี้ให้เราตามรู้ไป นะถ้าเราตามรู้ไปเหล่านี้เราก็อยู่ในชีวิตประจำวันเราก็ทําได้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าเราเราก็ต้องเดินอยู่แล้วนะเดินยืนนั่งนอน น, ะนั่นเป็นกิริยาที่เราต้องทําอยู่แล้วใช่ไหมหลังนั้นเราก็อาบน้ําแปรงฟันล้างหน้าซักซื้อผ้าถูพื้นทํากิจวัตรประจําวันเราก็ตามรู้ไปเนี่ยเป็นการตามรู้กายเนาะครั้ น, นี้บางทีเราเราตามแล้วเราก็ไปไม่ต่อเนื่องกันใช่ไหมเราก็มารู้สึกตัวในการเจริญ สติในรูปแบบเนาะเช่นการสร้าง14จังหวะหรือตอนนี้ถ้าฟังเราก็รู้สึกตัวไปก็ได้นะเราก็เอามือติดตีก็ได้นะมือติดตีหน้า ต, ต, ต, ตักเขย่าทานรู้ใช่ไหมหรือพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายกระทบนิ้วคลึงนิ้วเนี่ยอันนี้ได้หมดเลยเป็นการให้กลับมาอยู่กับกายเรานะให้มามารู้สึกตัวก็คือให้ให้มีการอะไรก็ได้นะที่มันเคลื่อนไหว ในตัวเรานะไม่ว่าจะเป็นการกระทบะการเคลื่อนไหวนะหรือว่าอาการใดๆเนี่ยให้เรากลับมารู้ในตรงนั้นนะอันนี้เป็นการเจริญสติทั้งหมดเลยเนาะแม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน ะ, ะตีๆกระทบนิ้วนี่แหละเป็นการกลับมารู้ในตรงนั้นนะเมื่อกลับมารู้ในตรงนี้ใจก็จะไม่ล่องรอยไปไกลใช่ใจปกเติมจะวิ่ง ลองลอยไปทุกทงแห่งใช่ไหมบางทีตัวเราอยู่เนี่ยใจวิ่งไปนูน่นไปนี่ไปเที่ยวเตลอดเปิดเปิงไปเรื่อยๆอันนี้ก็เรียกว่าใจเรามันเป็นเรื่องของเขาฉะนั้นใช่ไหมมันบังคับก็ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าอย่าไปหยุดให้หยุดคิดนะให้รู้ตลอดเวลาเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมอ่า น, นั่นเป็นการบังคับไว้นะให้หยุดคิดก็ไปบังคับเขาให้รู้ตลอดเวลาก็ไปบังคับเขาอีกใช่ไหมแต่ จิงจิงล้การเจริญสติก็คือให้รู้ตามธรรมชาตินั่นเองนะอันนี้จะไม่มีการบังคับทั้งสิ้นเลยบังคับเขาเรียกว่าเป็นสมถะไปคอยบังคับคอยกดขม่มก็ให้จิตก็สงบนะอะไรทั้งหลายแหล่นี่นั่นเป็นสมถะเป็นการบังคับนะแต่การเจริญสติไม่พอเราแค่ตามรู้เท่านั้นเองตามรู้กายตามรู้ใจนะเมื่อใจเขาคิดไปเราไม่ได้บังคับเขาะนะว่าต้องหยุดคิดแต่เขาคิดไปเนี่ยสําคัญว่าเรารู้ไหมใช่ไหมถ้าเรารู้ เขาคิดไปเรารู้เนี่ย น, นี่คือส ต, ติแล้วส ต, ติคือการระลึกได้นะระลึกได้ว่าเราคิดไปแล้วเนาะหรือใจมีอะไรเกิดขึ้นในใจเรามีความโกรธความรักความชังความพอใจความไม่พอใจอันนี้เราก็แค่ตามระลึกรู้เท่านั้นเองเราไม่ต้องไปห้าวว่ามันต้องไม่โกรธไม่รักไม่ชงังไม่เกลียดไม่อะไรทั้งสิ้นนะมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองนั่แนะเราไปห้ามมันไม่ได้มันคือธรรมชาติธรรมนนะคือการปฏิบัตธรรมนี่เป็นการปฏิบัติธรรม ที่เราเข้าสู่ธรรมชาติเราจะไม่ฝืนธรรมชาติฝืนธรรมชาติเช่นยาให้มันโกดยายมันรักยาใมันชังอันนี้คือการฝืนธรรมชาตินะเราบางก็ทําไม่ได้หรอกใช่ไหมมันก็ทําได้ชั่วคราวแต่แล้วมันก็ไปเก็บกดมันเอาไว้อย่างนั้นแหละมันก็แสดงออกมาทีหลังมันก็มีความโลภความโกรธความรักความชังขึ้นมาอย่างเก่านะแล้วมันจะหนักกว่าเก่าด้วยนะอันนั้นคือเป็นการที่มันไม่ถูกต้องตามธรรมชาติใช่ไหม แต่ธรรมชาติในใจเรามันก็เป็นอย่างไรนะ่ะเราก็รู้ไปเช่นนั้นเองใช่ไหมมันจะโกรธจะรักจะชังก็ได้จะคิดจะฟุ้งซ่านก็ได้นะหน้าที่เราก็มีหน้าที่เรารู้เท่านั้นเองนะเรามีหน้าที่รู้ไม่มีหน้าที่ไปบังคับเขาเนี่ยนี่คือการเจริญสตินั่นเองคือการตามรู้ตามรู้กายตามรู้ใจนะตรงนี้จะมีประโยชน์มากเลยนะเมื่อเราตามรู้แล้วจะอะไรขึ้น เมื่อเราตามรู้เช่นมีความคิดเนี่ยเรารู้ทันเออขณะเราคิดนะเรากลับมารู้ทันขณะนี้มันคิดแล้วขณะนี้ใจไปคิดแล้วนะขณะนี้เกิดความคิดแล้วอันนี้มันรู้ว่าขณะนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมันสามารถที่จะหยุดได้นะความคิดเล็กเล็กน้อยมันหยุดทันทีเลยนะหรือถ้ามันไม่หยุดมันจะคิดต่อเราก็รู้ทันเออมันจะคิดต่อเราก็ยังรู้อยู่ใช่ไหมเนี่ยเราก็สามารถสังเกตความคิดได้นะพอหลวงพ่อเทียนบอกว่าเนี่ยยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะ ท่านไม่บอกว่าไปห้ามความคิดจริงๆแล้วในสายบัตธรรมที่ในการถูกต้องที่เจริญสติหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้บอกว่าต้องไปห้ามเลยแค่เรารู้เท่านั้นเองนะมันมันก็หยุดมันก็สามารถที่จ ะ, ะหยุดหรือไม่ก็คิดต่อเราก็รู้ทันเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากกว่านะไม่ต้องไปบังคับให้เขาหยุดแต่ว่าเขาคิดเนี่ยเรารู้ทันไหมนะเมื่อเราเห็นความคิดเรารู้ทันความคิดนี่แหละอันนี้ก็เรียกว่าได้ต้นทางของการบัติธรรมแล้วนะหล่อเทียมบอกผู้ได้เห็นความคิด ผู้นั้นได้ต้นทางของการบัตรธรมแล้วนะเนี่ยตรงนี้เมื่อเราเห็นความคิดเราก็จะสังเกตได้ว่าเราเข้าไปในความคิดไหมใช่ไหมเมื่อก่อนเราจะเข้าไปในความคิดใช่ไหมคือเราไม่เห็นมันแล้วก็คิดไปเรื่อยๆคิดทั้งวันคิดเรื่องที่เราเรื่องอดีตที่เราไม่ชอบมีความโกรธมีความไม่พอใจก็วนอยู่ตรงนั้นก็กลายเป็นความความทุกข์เป็นความอาฆาตไปบาทขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งอันนี้เรารู้ไม่ทันแล้วก็เข้าไปในความคิด นะหรือว่าคิดในเรื่องยินดีไปเที่ยวที่ไหนสนุกสนานล้วก็เข้ามาในความคิดอีมา น, นี้เป็นการบนนะบนเข้ามาในความเพลิดเพลินของใจนะแต่เมื่อเรารู้ทันเนอะขณะนี้จริงๆมันคิดเรื่องอะไรก็ได้นะคิดเรื่องไม่ดีก็ได้แล้วเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยมันก็สังเกตได้เออเรารู้ทันแล้วนะมันก็สามารถหยุดได้เลยนะคนที่มีกำลังสติมันหยุดได้เลย นะแต่ถ้าเราบอกว่าเออแล้วมันคิดต่อเนี่ยเราไม่มีกําลังสติหรืออันนั้นเราก็มีกําลังสติอยู่แล้วแต่มันคิดต่อแล้วก็รู้รู้ไปเท่านั้นเองใช่ไหมแต่เราจะเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นได้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันต้องอยู่ตลอดกาลนะเดี๋ยวเรารู้ทันเดี๋ยวมันก็คิดอีกนะมันคิดกับมันอีกเราก็รู้รู้ตามไปอย่างเงี้ยมันก็คิดกี่ครั้งแล้วก็รู้ตามไปเท่านั้นนะแล้วมันอาจจะเผลอนานๆก็ได้นะเผลอสักห้านาทีสินาทีก็ไม่เป็นไร อันนั้นคือธรรมชาติของมันใช่ไหมถ้าเราไปคอยระวังไม่เผลอนั่นแหะอันนี้ไปบังคับเข้าก็เป็นกรรมฐานอีกเขาคิดกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรแล้วก็คอยรู้คอยรู้ทั้งนั้นเองนะพระลมมเทยนยิ้มบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะก็คือยิ่งมันหลงคิดแล้วเรารู้เนี่ยมันเป็นการเขย่าทารู้ให้มันโตขึ้นมานะมันก็มีกําลังโตขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะว่าสติเนี่ยมันมันเป็นการเขย่าทารู้มันไม่ได้ให้จิตสงบมันจะต่างกันใช่ไหมถ้าเราฝึกกรรมฐานนี่ก็คือให้จิตสงบ แต่จิตสงบก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันมันสิ่งที่ดีคือสมาธานี่เป็นสิ่งที่ดีแต่มันเป็นการใช้ประโยชน์ต่างกันใช่แต่การนีเราไม่ไม่ต้องการให้จิตสงบแต่ถ้าเราจเจริญสติแล้วจิตสงบก็ไม่เป็นไรนะมันจะสงบเองก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่ใช่ว่าเป้าหมายคือให้มันสงบแต่เป้าเป้าหมายก็การรู้รู้ทันกายและใจนี่แหละ ตอนนั้นเมื่อมันคิดกี่ครั้งนั่นเราเรารู้ไปอันเนี้หลยหลายๆครั้งบุ้มเนี่ยเราก็จะตื่นรู้มันก็เกิดทักษะในการที่มันจะตื่นรู้แล้วมันก็กลับมากลับมาอยู่ไนกลับมารู้กายรู้ใจนี่แหละเพราะมันมันคิดไปมันก็ไปไปไกลใช่ไหมเราคิดไปถึงบ้านก็คือใจเราไปอยู่ที่บ้านแต่การที่มันมันรู้เนี่แหละสมมติรู้ที่กายเราตีก็ได้นะตีอะไรรู้ก็คือใจมันรู้นะ เมื่อใจมันรู้มันก็กลับมาแล้วนั่นก็คือใจมันกลับมากลับมากลับมารู้อยู่ที่กายนะรู้ที่ใจนี่แหละอันนี้ก็เรียกว่าใจมันจะมีทักษะในการตื่นรู้ตื่นรู้ก็คือการเที่มันกลับมารู้นั่นเองกลับมารู้ในปัจจุบันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในกายในใจเราขณะนี้กําลังเป็นอย่างไรกําลังนั่งรู้ไหมกําลังยกมือรู้ไหมกาลังตีตีรู้ไหมกําลังได้ยินเสียงรู้ไหมกําลังอากาศเย็นเย็นรู้ไหม นีแต่แล้วมนรู้กายก็คือมารู้กายเพื่อเราไม่ไปเพ่งใจนั่นเองใช่ไหมถ้าคนที่ดูใจไม่เป็นก็จะไปเพ่งใจคอยจ้องดูใจนะคอยที่จ ะ, ะตามรู้ใจต่อเนื่องกันอันนี้มันท่านดูไม่เป็นมันมันไปไปเพ่งแรงใช่ไหมมันก็จิตก็นิ่งสงบไปเลยหรือไม่ก็แข็งก็ทื่อก็ซึมหรือไม่ก็มึนหัวไปเลยนะแต่คนดูใจเป็นแล้วมันก็ดูสบายๆดูได้นะจริงๆก็ดูได้ดูสบายๆเขาเรียกว่า ชำเลืองดูแอบๆดูเลยทํานองเนี่ยใช่ไหมคือไม่ได้ไปดูโดยตรงแต่ว่าชำเลืองดูอันนี้ก็ดูได้ดูสบา ย, บายมันก็เห็นอาการของใจเหมือนกันใช่ไหมแต่คนใหม่ๆถ้าดูใจไม่เป็นก็ต้องอใส่กายก่อนท่านก็รู้ที่กายก่อนนะพอใจแรบบุ๊ปไปเราก็รู้ทันบุ๊ปไปรู้ทันเนี่ยเป็นการเขย่าทันรู้นะเมื่อใจมันรู้ทันอย่างบ่อยๆมันก็เกิดทักษะเกิดความชํานาญในการรู้มากขึ้นก็เรียกว่าเขย่าทันรู้แล้วจิตมันตื่นตัวได้แล้วจิตตั้งมัน่นติตตื่นตัวมันจะเป็นผู้เห็นอารมณ์ได้ใช่ไหมเห็นอารมณ์ มีความรักความโกรธความชังสมัยก่อนแล้วก็เข้าไปเร็วใช่ไหมใครมาว่าเรามานินท า, าเราแล้วก็โกรธเร็วเราก็ไม่พอใจเร็วนะตอนหลังเราสังเกตใจได้ละเออตอนนี้นะมันกำลังโกรธนะมันกาลังจะรักจะชังกำลังหงุดหงิดลังขัดเกรือนคือมันสังเกตได้ได้เร็วขึ้นกว่าเก่าใช่ไหมมันสังเกตได้เร็วกว่าเก่ามันก็ไม่ไม่เข้าเป็นผู้เป็นนะไม่เข้าไปเป็นผู้โกรธผู้รักผู้ชงังแต่มันเห็นมันก็เป็นผู้ดูไปนะอย่างที่ หลวงพ um. ่อําเกมยรติเป็นผู้ดูไม่ผู้เป็นเห็นไม่เป็นรู้ซื่อๆรู้เฉยๆพระใจมีกําลังแล้วใช่ไหมใจมีกําลังเป็นผู้ดูได้ใช่ไหมัมนมีกําลังจากการที่เราฝึกในการเป็นผู้ดูนี่แหละใหม่ๆก็ดูความคิดก่อนนะสังเกตความคิดได้แล้วก็ดูเขา e ้าใจเฉยเนี e ่ยมันไม่ใช่ว่าความคิดเป็นสิ่งไม่ดี <g ul ain> มันไม่ดีก็ได้แต่เราเห็นเขาเท่านั้นเองใช่ไหมเมื่อเราเห็นเขารู้ซื่อๆรู้เฉยเฉยน่ยต่อไปอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็รู้ซื่รู้เฉยเรู้ซื่อ ๆ, ๆได้ เมื่รู้ซึกงๆรู้เฉยๆได้ก็เห็นสภาวะความเกิดความดับของลม ต, งต่างๆเหล่านั้นนะก็เช่นความคิดเราก็เห็นความเกิดดับได้ง่ายแล้วเลยงโกลมเนี่ยโอ้คิดเดี๋ยวคิดอีกแล้วเห็นก็ดับไปคิดแล้วก็เห็นก็ดับไปเพราะอารมณ์ต่างๆเหมือนกันนะไม่ได้ความโกรธมันก็เกิดแล้วก็ดับไม่ได้อยู่เราตลอดกาลนานหรอกใช่ไหมถ้าเรามีกําลังกุบเราเห็นมันก็ดับไปเลยนะความกดเล็กๆเนี่ยดับดับไวมากความโกดใหญ่ๆเห็นแล้วก็เบาลงน้อยลงมันไม่ได้โตขึ้นใช่ไหม จริงๆอารวลมเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วมันไม่ได้โตขึ้นเรา ม, มันมีแต่เล็กลงเบาลงหรือไม่กระดับไปนะอันนี้เราสังเกตก็เห็นความเกิดความดับของลมนี่แหละอันนี้มันก็เป็นประโยชน์นะคือเราเห็นเมื่อก่อนเราก็ว่าเออเราโกรธนานเราต้องไปจัดการความโกรธไม่ดีนะให้มันดับไปเร็วๆนะอันนี้เขาเรียกว่าไปพังคับเขาอันนี้คือสมถะทั้งหมดเลยแต่หน้อยถ้าเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นเราดูมันเฉยๆรู้สึกซื่อดูไป เรื่อยๆ ด, ดูตามที่เขาเป็นเท่านั้นเองเขาก็แสดงความเกิดดับให้เราเห็นไม่ต้องไปจัดการเขาเราเห็นว่ามันก็เกิดแล้วก็ดับเองโดยตัวเขาเองใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเป็นเราจัดการเนีเราจัดการให้มันดับเนี่ยมันมีตัวตนเราอยู่นะแต่ตอนหลังเราเห็นมันก็เกิดดับเขามันได้เองนะนี้เราไม่ไปจัดการเรากเห็นสภ า, าวะธรรมตามความเป็นจริงว่ามันเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนักตาเนี่ยมันเข้าสู่ธรรมะในตรงนี้นะมันเห็นสภาวะทุกอย่างระบังคับเขาไม่ได้มาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับ ถ้าเราบังคับเขาได้ก็ต้องไม่เกิดได้หรือว่าจัด ก, การเขาดับได้แต่เขามาเขาก็มาเขาเองไม่ใช่ว่าเออความปกรเราทําให้เขาเกิดมันไม่ใช่หรอกมันเป็นไปตามปวธามเป็นไปตามเหตุตาปัจจัยใช่ไหมคือตรงนี้เป็นการเดินตามปฏิจจคุณบาทคือเป็นการทํางานของใจเองนะมันกระทบสิ่งไม่ชอบใจมันก็โกรธนี่คือการทํางานของใจนะหรือกระทบสิ่งที่ชอบใจมันก็เกิดความพอใจนี่คือการทํางานของใจมันไม่ใช่เราตรงนี้ถ้าเราดูเดีมไม่ใช่เรานะเราแค่รู้มันเท่านั้นเองแค่ดูมันแค่เห็นมัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันดูไม่ใช่เฉยรู้ซื่อเป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้เป็นนี่แหละมันจะแรงมาไต่ลักเราเห็นนะมันจะเกิดปัญญาในตรงนี้นะแต่ถ้าเราไปจัดการมันไม่ไม่เกิดปัญญาหรอกเพราะมันมีตัวเราไวจัดการมันอยู่มีตัวไม่ตนบังคับเข้าได้นะหรือไม่ก็มีตัวเราต้องไม่ลักไม่โกดไม่ชังนะมันจะมีตัวเราแฝงอยู่ทั้งนั้นเลยนะมันตัวนี้นี่นี่นี่คือจุดพิกผันของมีปัสนามอยู่ตรงนี้เองนะคือเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ตัวไม่ตนนี่คือการ เริ่มเข้าสู่วิปัสสนาแล้ว น, ะนะเข้ามาเห็นพระไตรักษ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นัตาเห็นการบังคับบัญชาไม่ได้นะเห็นรูปเห็นนามในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นสภาวธรรมมันจะเกิดขึ้นในตรงเนี้มากมายที่มันถ้าเราเดินเข้าวิปัสสนาตรงนี้มันก็เข้าสู่โหมดของปัญญานะมันก็ออกจากความทุกข์ได้แต่ถ้ามันเข้าตรงนี้ไม่ได้มันก็ไปวนนะไปวนในสมถะนั่นแหละไปคอยบังคับเขาให้เขาดีตามที่เราต้องการใช่ไหมให้เขามีสติ ต, ตลอดเวลานะมีส ต, ติตลอดเวลานะให้เขาไม่คิด ให้เขาองบนะอะไรทั้งหลายแหละนะมันอันนี้คือการบังคับทั้งนั้นเลยนี่เป็นโหมดของสมถะเรามันยังไม่เข้าวิปัสนาเนาะคราวนี้มันทําไมต้องเข้าวิปัสนาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วการบฏบัติในขั้นสุดท้ายก็คือการที่มันเข้าเข้าสู่ความเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวเมตตนของเรานะนี่คือประเด็นที่สุดท้ายเลยที่มันจะบรรลุธรรมในตรงนี้ก็คือกลับมาเห็นว่ากายและใจมันไม่ใช่ตัวเมตตนของเรานะที่เราก็สวดไปแล้วนะ อ่าคือสังขารร่างกายเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขตตาไม่ให้ตัวไม่ตนบังคับพัญชายไม่ได้ก็คือมันต้องมาเข้าตรงนี้ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราครัน้นี้ที่มันจะเข้าถึงตรงนี้ได้มันก็มีวิธีการต่างๆมากมายใช่ไหมอย่างในในสายที่เดินมาในทางอทางที่นั่งสมาธิหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยก็คือเมื่อเมื่อพิจารณาเมื่อสามารถที่นั่งจิตสงบแล้วนะ <c oughs> จิตสงบแล้วก็ถอนจิตออกมาพิจารณาว่าเออกายนี้นะ กายเนี่ยมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นักตาก็ได้หรือพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ได้หรือพิจารณาเป็นอความไม่สวยไม่งามน ะ, ะที่เราเคยสวดทวัดิงสาก็คือเห็นเป็นเกสาโลมาคือผมขนเลือดปันหนัง อ, อาอวัยวะภายในทั้งหลายตัาปอดหัวใจกระดูกนะลเลือดน้ำเหลืองอุจจาะปัสวะอะไรเนี่ยเพื่อพิจารณาเห็นว่า <c oughs> เป็นของที่ไม่สวยไม่งามเนาะ เพื่อจะเด้อะไรเพื่อจะถอดถอนความว่าใจผิดในตุกขามันตัวตนนั่นเองใช่ไหมหรือในสมัยพุทธกาลก็มีพระก็ปฏิบัติไปแล้วก็บางทีกวาดใบไม้ดูใบไม้เป็นของอใบไม้นี่เป็นสีน้ําตาลนะเมื่อก่อนก็อยู่บนต้น <c oughs> เป็นสีเขียวนะตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็เป็นเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ล่วงหล่นลงมาพิจารณามมธถกายตัวเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันใช่ไหม เมื่อพินาเห็นว่าร่างกายกับใบไม้มันก็ไม่ต่างกันมันก็ร่วงหลดลงมาสู่สู่การที่เรียกว่าเป็นความตายเหมือนกันว่าร่างกายเราก็เช่นเดียวกันมัน ม, มั น, ม, นมันเป็นสภาวะที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะมันก็เลยแกลกก็เจ็บก็ตายนะอันนี้ก็ บ, บรรลุทำได้เนาะมันหรือว่ามีพระไปรอรอข้าพพุทธเจา้าก็มีหยดน้ําหยดลงมาจากหลังคาคือมีฝนตกนะมีน้ําหยดลงมาก็เป็นฟองน้ํา อืกระทบลงมาที่พื้นนะข้างล่างก็มีน้ําอยู่ก็เป็นฟองน้ําขึ้นมาน้ําก็แตกแตกไปเรื่อยๆฟองน้าตกมาเป็นฟองน้ําแล้วก็แตกถ้ากครเห็นเออตรงนี้นะเนี่ยมันก็คือภาวะที่มันเกิดมันดับนั่นเองนะเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนก็ฟองน้ํานี้ร่างกายเราก็เหมือนกันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นกันก็สามารถที่จะ <c oughs> สู่ความพ้นทุกข์ได้เนาะหรือแม้แต่ในออนตัตตละนะสูตร <c oughs> พระเจ้าก็ถามปยวคีว่าอ่า รูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาควรเรือตามคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเฉันนะไม่เจ้าค่าหลังจากนั้นก็ทรงแสดงว่ารูปเว น, นาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็ น, นันตายอย่างไรพอแสดงจบปัญญาเคลียบบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเนาะอันนี้ก็คือกลับมารู้ที่กายที่ใจเรานี้แหละว่ามันไม่ตนนของเราะ อืมการนี้การเจอร์ริสิกก็เหมือนกันนะเมื่อเราเจอร์ริสิกไปเราก็เห็นว่านี่มันก็เป็นแค่รูปแค่นามใช่ไหมเดินมันก็คือกายมันเดินมันไม่ใช่เราเดินนะใหม่ๆก็เป็นเราเดินนั่นแหะแต่เดินไปเรื่อยๆนัมันก็ถอดถอนความเป็นเราได้มันก็รู้อาการของมันเท่านั้นเองนะมันก็มีแต่อาการของของที่มันเดินไม่ใช่เราเดินเป็นแค่อาการอาการของรูปที่มันเดินนะมันถอดถอนมาได้นะอหรือว่ามันยกมือก็เหมือนกันมันก็คืออาการที่มันยกมือมันก็มีการบุบไหวนะ มันไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแค่อาการของกายเท่านั้นเองในชะ่ไหมมันก็เห็นเ่าเป็นเรื่องตรงนี้เองนะเหมือนกับที่ลวงพ่อเทียนใหม่ๆตอนที่ท่านไปบัติธรรใหม่ๆนั้นะก็ก็มีแมงป่องตกมาที่เท้าของท่านคือตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆเองนะจริงๆท่านน่าจะตกใจน่าจะกลัวว่าเออแมงป่องมันมีพิษเยอะมันตกมามันจะต้องมาต่อยเรานะเป็นคนอื่นต้องรีบปัดไปเลยหรือไม่ก็อ่ากลัวมากหรือไม่ก็ตกใจนะ แต่หลวงเทียนท่านตอนนั้นท่านเกิดเป็นยายมาว่าเออมันปองมันก็เป็นเป็นรูปเป็นนามเนาะเราตัวเราก็เป็นรูปเป็นนามก็เหมือนกันเป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเพราะนั้นมันก็ไม่ต่างกันนะมันก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันน่ยท่านก็เลยไม่กลัวมันท่านก็เลยดูเฉ่เฉยนะดูเฉยเฉยมันนะตรงเนี้ยใจขอท่านก็เข้าสู่ความเปรูปเป็นนามแล้วนะมันก็เห็นในตรงนี้นะตรงเนี้เกิดจากการปฏิบัติธรรมของท่านมามากมากให้ไม่ว่าปฏิบัติในชาตินี้นะ ถ้ามาทำมานับภพรับชาไม่ทวนแล้วคือถ้ามีปัญญาในระดับหนึ่งแล้วแหละพอมาเจอกระทบตรงนี้มันก็สภาวะธรรมมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เร็วใช่ไหมก็เห็นแคเป็นรูปเป็นนามไม่ได้ไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราเป็นตัวของเรานะอันนี้มันมันก็เลยปล่อยมันก็เลยวางใช่ไหมตอนนั้นถ้าเห็นความคิดเออความคิดมันก็เป็นเรื่องของนามนะไม่เรื่องเรานะเห็นมันก็มาผักบันเอลนะท่านเดินโยกมมันก็มาผักบันเอลถ้ากลับมาดูอ๋ไอ้ตรงนี้นะ เราก็เห็นมันแค่เท่านั้นแค่มนั้นเท่านั้นเองมันไม่ใช่เป็นของเรานะมันแค่สภาวธรรมอ่ามันเรื่องของนามไม่เรื่องของเราแต่มันแสดงเราเห็นแล้วเนี่ยว่าเป็นความคิดนะเราก็ไม่ไปให้ค่ามันเท่านั้นมันก็ดับไปใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือการบรรลุธรรมนะนนเห็นรูปเป็นนามเท่านั้นเองอ่ตรงนี้เราก็เพราะฉนั้นถ้าเราเดินยงกมลมเราก็เห็นความคิดบ่อยมัแล้วก็เออคิดเราก็เป็นผู้คิดไปคิดนู่นคิดนี่แล้วก็ไม่พอใจเออทำไมมันคิดเยอะขนาดนี้นะทำไมมันฟุ้งซ่านเยอะขนาดนี้เนาะ อันนี้จริงๆมันดีนะก็คือถ้าเราเห็นแบบหลวงวเทียนก็คือมันแค่นามันทํางานไม่ใช่เราอนนี้แหละมันเป็นเรื่องของมันนะเราแค่ดูมันเท่านั้นเองนะเนี่ยมันก็เห็นเห็นสภาวะที่มันใจมันทํางานเองได้ไม่ใช่เราเนาะกายมันปวดมันเมื่อยก็ดีนะมันไม่ใช่ไม่ดีอ่ะนั่งนานๆแล้วก็ดูมันไปอันนี้มันมันกายกายปวดปวดเมื่อยก็เป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเรานะอันเนี้เป็นอาการของกายหมดเลยถูกไหม ความทุกข์ทั้งหลายในในทางกายเป็นเรื่องกายทั้งหมดใช่ไหมไม่ไม่ของเราเราดูมันเท่านั้นเองใชเพราะฉะนั้นกูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อคำเขียนท่านป่วยท่านบักสนุกป่วยฮะสนุกป่วยท่านก็ไม่ได้ไปทุกข์กับมันนะอืมแต่จริงๆแล้วท่านท่านเจ็บปวดไหมจริงๆท่านก็เจ็บปวดนะม่ใช่ไ ม, ไม่ไม่เจ็บปวดแต่ว่าท่านดูมันท่านเมื่อดูมันมันก็เบาไปเยอะแล้วไม่ เ, เราอะ่ะอลองดูนะถ้าเราบางทีเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเลยท่าอาจารย์ไปสารเราประจำนะ่ะบางคนเป็นเป็นแค่พยาธ อักขระไปอยู่ในกระเพาะเท่านั้นจะจะตายนึนกว่าจะตายนะ่ยต้องเข็นรถเข็นเข้ามาเลยอพอหมอวินิจฉัยว่าเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโรคมะเร็งเราเป็นแค่พยายปิกขอคนไข้ลุกขึ้นมาเดินได้เลยบอกหายแล้วนะกลับบ้านเดินหายเลยนะ ม, นมันจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันอยู่วใิใจัยเราเท่านั้นเองนะ ถ, ถ้าใจเราเป็นผู้ ด, ดูก็คือเรื่องของกายมันไม่เรื่องเราเนี่ยมันออกมาจากความทุกข์ได้เลยแต่เมื่อไรที่เราเป็นเราเล็กๆน้อยๆมันก็มีความทุกข์มากนะมันก็เข้าไปในตรงนั้นนะ่ะ กายเรามีความทุกข hmm. ์นะเนี <ost> ่ยมัน no. ต so like so so so ้องเห็นในตรงนี้ให้ได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะนี่แหละมันแยกรูปแยกนามแล้วใช่ไหมก็คือเรื่องกายก็คือเรื่องกายใจก็คือเรื่องใจใจมันรักมันชังมันกดมันเก็ตก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรากายมีความทุกข์มีความเจ็บปวดโรคภัยไข้เจ็บมันจะแก่อมันจะผมหงอกมันจะตาฟ้านก็เป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็เป็นผู้ดูได้ใช่ไหมเนี่ยมันถอดถอยมาในตรงนี้ถอดถอนความเป็นยึดมั่นถือมั่น ในความเหมือนโตตนนี่แหละเพราะถ้าใครส <c oughs> ามารถถอดถอนได้แม้แต่เล็กน้อยจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเยอะนะได้สักส่วนหนึ่งก็เป็นพระโสดาบันได้แล้ ว, ลวก็คือไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตตกายสัเดชฌานสนันนิโรกก็คือไม่ต้องไปลงไปใบภูมิเกิดเป็นมนุษย์เทวดาไม่ เ, เกินเจ็ดชาติเนาะเราขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะจนว่าเป็นพาาระอรหันต์ก็คือถอดถอนได้หมดไม่ได้มีความยึดมั่นว่าเป็นกายเป็นใจของเราเนาะ คันนี้มันจุดติดจุดท้ายเนะี่ยก็คือเมื <c> ่อ <oughs> เราสามารถปล่อยวางได้จริงๆแลว่าตรงเนี้มันไม่กายไม่ใจของเราก็คือการที่เราเราสามารถที่จะถอดถอนความเข้าใช้ผิดในความเป็นโตตนนี้ได้แล้วมันก็เป็นพระละหันกันได้ใช่ไหมมันอยู่ที่จิตสุดท้ายเท่านั้นเองแต่ว่าเราถอดถอนได้ไหมน้อพระธุ์ครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่ดูลเคยมีลูกศิษย์ที่เป็นสายไปบัตที่ที่เข้าฌานได้สูงๆนะไปถามหลวงปู่ดูลยบอกว่าเวลาจะตายย่าวางใจอย่างไร หลวงปู่ดูมาว่าก็ให้เหมือนกับเข้าฌานระดับสูงก่อนนะเข้าฌานในระดับสูงเลยไอจีตเป็นหนึ่งเมื่อจิเป็นหนึ่งแล้วก็ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดก็คือปล่อยวางทั้งหมดไม่เหลืออะไรเลยอันนั้นก็บรรลุธรรมเป็นผลานได้เนาะแต่ถ้าเราทําระดับนั้นไม่ได้ให้มันเข้าฌานเนมันเข้ายากมากใช่ไหก็คือเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันเท่านั้นเองนะก็คือการบัตรธรรมเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนเนาะ การต่อทอนก็คือการปล่อยการวางการไม่ยึดมั่นถือมั่นการละการคลายออกเพราะฉะนั้นการที่เราเจริญสติไม่ใช่เราเราไปยึดมั่ น, นเราต้องดีต้องวิเศษต้องเป็นผู้มีสติมากๆนะหรือว่าต้องเป็นผู้บรรลุธรรมอันนั้นมันมีตัวตนทั้งนั้นเลยใช่ไหมแต่เราสามารถปฏิบัติธรรมได้แต่เราก็ไม่ไปยึดอะไรมันแม้แต่บรรลุธรรมก็ไม่ไปยึดกับมันนะแต่ว่าเราก็ตั้งใจเท่านั้นแต่ว่าไม่ต้องไปเร่งรัดอะไรกับมันต้องบรรลุให้ได้นะ มันจะมีให้ตัวตนเราอยู่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมมันต้องสังเกตให้ออกว่ามีตัวตนเราอยู่ไหมใช่ไหมการเราสังเกตตัวตนเราได้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอย่างที่เราสังเกตใจเราได้ว่าเรามีความโกรธความโกรธก็จะลดลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราสังเกตได้ว่ามีตัวตนอยู่ในอาการกิริยาใดๆในสถานการณ์ใดมันจะลดลงไปทันทีนะมันจะลดลงไปเอง ต, ตอนนี้มีตัวตนเราไหมมันจะลดไปเองนะเพราะฉะนั้นการปฏิธรรมเนี่ยส่วนหนึ่งที่มันมันช้าก็คือเราจะไปเอดีเอาดีก็คือทําให้มันดีนะ ให้มันดีนะปฏิบัติธรรมมันต้องได้ดีนะต้องไม่โลบไม่กดไม่หลงต้องไม่ฟุ้งซ่านต้องมีสติตลอดเวลานี่การเอาดีนี่มันมีมีตัวตนแฝงทั้งนั้นเลยนะมีตัวตนแฝงอันนี้ก็เป็นผูกเป็นแต่เราไปฏิบัติธรรมไม่ต้องเอาดีนะคือมันถอดถอนความเอาดีออกมาจะเห็นความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นก็มันเองนะมันจะเป็นก็คือมันจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละมันจะปฏิบัติธรรมแล้วมันจะหลงมันจะหลงก็เป็นเรื่องมันไม่เรื่องเราก็คือเป็นของมันเช่นนั้นเอง ก็คือให้ร like ู้ตามที่มันเป็นไม่ใช่ให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะอันนี้ก็เรียกว่ากูบาอาจารย์บอกว่ารู้ซื่อซ่อรู้เฉยๆนะนี่สำคัญมากไม่ใช่ว่ามันไม่ดีทำมันมันดีนะใจไปทางซ้ายทําไปทางขวาใจไปทางขวาทําไปทางซ้ายอันนี้ก็เรียกว่าไปจัดการเขาเราจะไม่เห็นความจริงว่าตรงนี้เราบังคับเขาไม่ได้เลยนะแต่การที่มันไม่ดีนัก็คือมันเป็นเช่นนั้นของมันเองก็เป็นเรื่องของใจมันเป็นเช่นนั้นของมันเองไม่ต้องไปจัดการเขาแล้วแค่รู้มันเท่านั้นเองว่า มันไม่ดีเราเรารู้ทันก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของใจเองนะอหรือมันจะดีแล้วก็ไม่ต้อไปยินดีว่าเออมันดีแล้วมันวิเศษแล้วมันอะไรดีกว่าคนอื่นแล้วอันนี้มันก็เป็นตัวเป็นตนอีกก็ร่วมมันก็เป็นเช่นนั้นเขาเองเป็นเรื่องของมันไม่เรื่องของเราอันนี้มันรู้ซื่อท่านมันใจแบบนี้ใจจะเริ่มเป็นกลางนะเป็นกลางเนี่ยมันสําคัญมากเลยใจเป็นกลางคือมันรู้ซื่อรู้เฉยๆเนี่ยใจจะเริ่มเป็นกลางการที่มันเริ่มเป็นกลางแสดงว่าเริ่มปล่อยเริ่มวางแล้วก็คือเข้าสู่เบคขาแล้วนะ เมื่เข้าสูเ่เบ็กขาดมันจะรู้ความเป็นกลางงอนขอมันได้มันจะดีก็ไม่เป็นไรมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรเนี่ยสังเกตไหมแค่นี้มันก็ไม่ทุกข์แล้วใช่ไหมถ้าเราไปปฏิธรรมแล้วมันดีแล้วก็ดีใจใช่ไหมเวลาไม่ดีแล้วก็ไม่ชอบใจเราก็มีความทุกข์ใช่ไหมเนี่ยเกิดความทุกข์ในตรงนี้หัวใจไม่เป็นกลางนะเพราะฉะนั้นคนนี้ใจเริ่มเป็นกลางแล้วนี่ก็ความทุกข์ก็ลดลงไปแล้วลดลงไปแล้ว แล้วมันจะรู้อะไรรู้ซื้อซึ้งรู้เฉยเฉเป็นผู้ดูไม่มเป็นนะตรงนี้มันย่อยความทุกข์ได้แล้วมันก็เข้าสู่ความเป็นนักตาได้ง่ายนะเพามันเป็นผู้ดูแล้วแนละ้วก็เห็นกายแล้วใจก็ทํางานไปรู้ซื่อซึ้งไปเขาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้อไปจัดการเขารู้ไปตามอาการของเขาเราก็มีหน้าที่แค่ดูแค่รู้เท่านั้นเองในการที่เราดูเรารู้น่ะเขาเรียกว่ามันมันถอดมาลนะมันถอดจากความเป็นตัวตนเอาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเพราะจริงๆแล้วจิตของเราเนี่ยมันเป็นแค่ผู้รู้เท่านั้นนะจิตเราเนี่ยเป็นหน้าที่ แค่ผู้รู้เป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองไม่มีหน้าที่เป็นผู้เป็นจริงเราไม่มีหน้าที่หลงรักชังโลภโกรดเกลียดอารมณ์ทั้งหลายแหละไม่ใช่เรื่องษษษษษษนะจิตนะจิตเขามีหน้าที่รู้เนี่ยเขาเรียกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานอยู่ในจิตนี่แหละ <c oughs> แต่ว่าความอารมณ์ทั้งหลายความรักความชางังความโกรธนั้นแค่เป็นอาการของใจซึ่งมันก็ไม่เมฆบอกซึ่งมามาคุมใจชั่วคราวเท่านั้นเองคุมใจชั่วคราวนะแต่เราไปยึดเราเป็นยึดของเรา <c oughs> ยึดอะไรเวลามีอะไรเกิดขึ้นเราจะยึดทั้งนั้นเลยเรารักเราชังเราโกรธเราเกลียดเราคิดเราหลงมันมีตัวเราอยู่นั้นเลยนะเพราะเราไปยึดอาการหงใจเป็นเราเนะี่ยไปยึดอาการของใจแท้ๆเลยนะไอ้ทุกนั้นเป็นการของใจอาการของใจเนี่ยเป็นสภาวะพระไตรลักษณ์คือมันไม่เที่ยงเป็นทุเบนาตาบังคับบัญชาไม่ได้มันมาแล้วก็ไปเกิดเลดิกดับแต่เราไปยึดว่ามันเป็นของเราเป็นตัวตนเราต ล, าตลอดเลยว่าเราไปยึดปุ๊บมันจะมีตัวเราตลอดเลยเราลักเราชังเราโกรธ แต่จริงๆแล้วเราก็เป็นผู้รู้คือใจเนี่ยเปหน้าที่เป็นผู้รู้ไม่มีหน้าที่รักหลงโกรธช่างทั้งสิ้นเลยหน้าที่รู้เท่านั้นเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในตัวอยู่แล้วนะเมื่อเราเมื่อเรามีสติเราเห็นว่าพวกนี้คือการหลงใจนะเมื่อเราเห็นมันซื่อๆรู้เฉยๆนี่แหละพวกนี้เขาแดงมาไต่รักหมดแล้วเขาเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปมีแต่ความไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้หมดไปทั้งหมดเลยนะเนี่ยมันก็เข้าถึงทำแล้วพวกนี้คืออาการหมดเลยแล้วไม่ไปยึดมันก็ไป ก็เห็นว่า<ง>จริงๆแล้วเราก็หน้าที่รู้ก็พอแล้วนะเนี่ยอันเนี้ยมันก็พ้นทุกได้ใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเราเป็นยึดอะไรทุกอย่างหมดเลยนะเนี่ยมันเข้าไปถึงใจจริงๆนะเพราะมันเข้าถึงใจจริงๆแล้วมันก็บรรลุธรรมได้นะมันก็เป็นพระหรหันต์ได้นะเพราะใจมันหมดทุกแล้วไม่ได้ไปยึดอะไรก็หมดทุกแล้วก็กลับมารู้กายรู้ใจนี่แหละแต่ในที่สุดสุดท้ทายไม่แต่ตัวใจหรือผู้รู้ก็ต้องวางก็ต้องทิ้งนะแต่มันก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเราไม่ไปยึดมัน เมื่อไม่ไปยึดมันแล้วเมื่อถึงจุดสุดท้ายเราเราจะวางมันได้เองแต่เรายึดเราเป็นผู้รู้มันจะไม่วางนะเราเป็นผู้รู้เราก็วางไม่ได้แต่จัดตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจไว้ก่อนคือโยมนิสโสมนัสการไว้ก่อนแล้วว่าใจก็ไม่ใช่เรานะแม้แต่ผู้รู้มันก็ต้องวางเหมือนกันในสุดใจจะวางได้เองถ้าเราไม่เข้าใจมันจะไม่วางนะมันก็ไม่ไม่เข้าถึงความพุทุกข์แท้จริงเนาะเพราะในตรงนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วมันหนทางที่มันเดินไม่ไกลนะเดินไม่ยากแล้วก็ าสามารถเดินได้เดินได้ทุกคนนะไม่ต้องรอชาติหน้าก็ได้เดินนะถ้าเราเข้าใจมันก็เดินได้นะเดินถูกต้องมันก็ถึงถึงอยู่ดีนะอยู่ที่ว่าเราจะเดินถูกต้องไหมแล้วก็มีความเพียรในการเดินไหมเนาะเพราะในท้ายสุดนี้ขอรัตนาบา ร, รมีคุณพระไตรน้อมนํามืา่อท่านเจริญในศีล ส, สติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้เดินเร็วพานทุท่านเถร